เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขีเอามาฟังเคสตั ด, ดี้กันโกคขาวฟ้าครั้งแรกเมื่อปี2545ในงานวันสลายร่างคุณยายประทับใจมากค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นก็มาปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกว่าลูกจะได้พบหมู่คณะชีวิตก็ลำบากมากเจ้าค่ะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เรียนหนังสือทำให้เขียนไม่ได้แต่พ่ออ่านได้ค่ะเพราะสังเกตและจำการอ่านจากคนรอบๆค่ะคุณพ่อของลูกเป็นคนดื่มเหล้าจัดนี่เห็นไหมดื่มทุกวัน เพราะมีเพื่อนมาชวนถ้าเมาแล้วคุณพ่อมักจะอาราวาสทําลายข้าวของเห็น<อ>ไหมมีโทษและมีคุณเนี่ยมีโทษครับนี่สุรามหาโทษเห็นไหมครับคุณพ่อมักจะอาราวาททาลายข้าวของเอะอะเสียงดังแม่กนละัวตัวเองแล้วลูกๆจะเจ็บตัวจึงหอบลูกๆไปนอนนอกบ้านบริเวณข้างถนน เห็นฤิ์ของสุลาไม่ล่ะครับพ่อพ่อหลับก็ย่องพาลูกๆเข้ามานอนในบ้านอตัวกินคนเดียวเนี่ยเวลาเดือดร้อนมันระบาด ท, ทั้งบ้านเลยเพราะว่าพอเมาแล้วก็ฟิตกันมา อ, อยากเป็นนักมวยกันมาครับถ้าวันไหนไม่มีเพื่อนมาชวนดื่มเหล้าดูให้ดีนะครับคุณพ่อจะเป็นคนดีมาก จะเตรียมอาหารใส่ปินโตไปทำบุญที่วัดทุกวันแต่ถ้าวันไหนเดิมเล้าพระอดเมาก่อนที่นี่พระต้องฉันทุกวันนะสิก็เป็นไงถ้าดด่มทุกวันนี่ก็อดทุกวันถ้าเด่มวันหนึ่งอดวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเออจังพอมีฉันก็มึงแล้วจะทำอาหารให้ทาน ออพ่อทำอาหารเลยนะเห็นไม่น่ารักเีเดิยวก็ <c oughs> ไม่ดื่มเลยซักผ้าให้ลูกๆใส่ด้วยค่ะโอ้ oh. oh. เลยกว่าไทยบาปกันเลยละ <c oughs> <c oughs> ให้ไปนอนนอกบ้าน <c oughs> เออเออเขาเกอะเาคุณพ่อมักจะเป็นคนที่ชอบไปทำหน้าที่เปลี่ยนผ้าครองให้กับพระพุทธรูปที่วัดค่ะอ๋อ oh. โดยปกติทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญทำทานเลยทำให้ลูกวินิสัยชอบทำบุญตามไปด้วยเห็นไหมครับโมเดลดีๆตัวอย่างดีๆให้ลูกดูเนี่ยลูกก็ทำตามครับปัจจุบันคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อ21ปีก่อนเพราะดื่มเหล้าสามวันสามคืนจนเส้นโลหิตในสมองแตกโอ้โหมันจะไปทนไหวไงส่วนคุณแม่งลูกเป็นคนใจดีแต่ปากร้ายครับ แม่ขอร้องสัทีนะไอ้ปากร้ายใจดีนะใจดีนะมันมองมาก็เห็น <laughs> <laughs> เห็นแต่ปากร้ายอ่ะไ <laughs> <laughs> ม่เนี่ยต้เดี๋ยวไปดูวิบากกันแต่ก็ชอบข่าววัดรำบุญเหมือนชาวบ้านต่างจังหวัดคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตมีนิ่วอยู่ในกรวยไตายสามเม็ดปี2532สสองคุณแม่ล้มป่วยหนักทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาจึงพาคุณแม่มาไว้ที่บ้านไม่รู้จะรักษาอย่างไร จึงรอวันสุดท้ายของท่านช่วงนั้นคุณแม่ทานอาหารไม่ได้เลยตลอดหนึ่งเดือนสิบห้าวันทานแต่น้ําโอวันติดและน้ําข้าวทานเสร็จก็จะอาเจียนออกหมดช่วงนั้นคุณแม่ป่วยหนักบอกลูกว่าคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าหากหายจะบวชชีหลังจากนั้นคุณแม่ก็หายป่วยคุณแม่จึงไปบวชชีบวชตั้งแต่ปีสองห้าสามสองถึงสองหสามห จึงศึกมาเลี้ยงหลานบาทโทโนึก็จะบวชตลอดอยู่ต่อมาก็ล้มป่วยอีกเห็นไหมหมอบอกว่าตายมีอาการติดเชื้อตลอดอคุณแม่ป่วยเป็นโรคนี้เกือบ20ปีวันที่2กันยายน2538คือหลังจากศึกมาสองปีคุณแม่กเกษียชีวิตหลังงานเผาศพมีหลายคนฝันคล้ายๆกันแล้วก็มาไล่ฟังว่าฝันเน้นคุณแม่ของลูกแล้วมีพระสงฆ์หลายรูปจูงคุณแม่ขึ้นไปข้างบนฟ้าด้วย ส่วนสาเหตุที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือเพราะลูกเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ต่อมาอายุเจ็ดขวบคุณพ่อแม่ย้ายไปจับจองที่อยู่อาศัยและเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดลบบุรีสมัยนั้นต้องดื่มน้ำที่ไหลามาตามภูเขา<อ>ไม่รู้มีไขยุงหรือสิ่งสกรปรกหรือเปล่าจึงทำให้ลูกล้มป่วยเป็นโรคมาเลาเรียขึ้นสมองอและลงกระเพาะแล้วก็มีหินปูนขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ในท้องด้วย รักษาการที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณสองเดือนไม่ดีขึ้นพอขึ้นเดือนที่สามไม่หายใจเหตุการณ์หลังจากนี้คนอื่นไลฟยฟังค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เจวันหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วที่บ้านจึงรับร่างของลูกกลับมาที่วัดตั้งสวดอยู่เจ็ดวันพอถึงวันเผาชีวิตทธหดเหลือเกินสมัยนั้นไม่มีเมลุถูกมาตาสังแล้วนะครับโอ้ ไม่มีไม่รู้ไว้เผาศพจึงหามลงไปที่ป่าชา้าอ oh. และจะเผาบนกองฟอ น, <Okay. S 2> นกองฟืนเนี่ยเตรียมเผาก็แล้วนะ oh. มัดกันเรียบร้อยแล้วครับ <Okay. S 2> ตรงที่ทํากองฟอนนั้นจะเสี่ยงโดยการโยนไข่อ oh. ถ้าแตกที่ตรงไหนก็จะทํากองฟอนนะตรงนั้นแต่โยนอย่างไรก็ไม่แตกอ oh. oh. ไข่ไม่แตกอโ ah. ยนไม่เป็นมงึง เออแมยพูดถึงไข่เนี่ยชะตาครูไม่ใหญ่ในชะตาไข่เนี่ยเขาออกคำสั่งมาว่าให้สอนธรรมะสาธุชนเพราะสอนธรรมะสาธุชนมาเยอะก็บอกว่าส่องสูงคนลมอัดเออชะตาเราชะตาไข่ถ้าไม่สอนก็โดนอัดถ้าสอนก็โดนอัดเหมือนไข่นั่นแหละหล่นโดนหินไข่ก็ แต่หินหล่นโดนไข่ก็แตกโอ้โหมันไม่ไหวนะชะตาไข่เนี่ยไข่หล่นโดนหินไข่ก็แตกหินหล่นโดนไข่ก็แตกแตกกลางคืนกั้<ต>งหองเลยแม่น่อสงสารไหมน่อสงสารนะถ้าแตกที่ไหนก็ทํากองฟอนทันที่นั้นแต่โยนอย่างไรก็ไม่แตก คุณพ่อของลูกจึงให้ตั้งตรงที่ยืนอยู่เลยไม่ต้องหากันแล้วล่ะอ <laughs> เพราะว่าพ่ออยู่ในอาการเมาพอสมควรเมื่อตั้งโลงบนกองฟอนฟังนะเพื่อวางทีกลับไปบ้านอาจจะเจอ <laughs> <laughs> โลมมีอาการขยับได้เพราะลู ก, กเริ่มรู้สึกตัวแต่ยังสลึมสลืออยู่ คนอื่นเห็นข้าวก็ <Hey. S 1> วิ่งหนีกันไปหมดตกใจวิ่งหนีเ uh huh. หลืออยู่ uh huh. คุณพ่อของลูกคนเดียวเพราะคุณพ่อเ uh huh. มา <laughs> แหม่มีประโยชน์ตรงนี้นะ oh. <laughs> เขาเขียนต่อว่าถ้าคุณพ่อไม่เมาก็คงวิ่งหนีเหมือนคนอื่น <laughs> คุณพ่อเลยไม่กลัวแล้วก็ไปเปิดลองดูจึงรู้ว่าลูกฝืนแล้ว oh. จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเมาเดี๋ยวเราไปดูวิบากกรรมรดูบุปรกรรมมีคนมาถามว่าตอนที่ตายไปเห็นอะไรบ้างแต่ลูกไม่เห็นอะไรเลยหรืออาจจะจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนคนนอนหลับไปเฉยเฉยแต่การที่ลูกถูกมัตราสังอยู่หลายวันทําให้คอของลูกเอียงติดกับไหล่ตลอดเวลาเนี่ยเอาลืมเงินมันมัดเ<อ>นื่องจากเส้นเอ็นยึดทรมานมากค่ะต้องรักษาโดยการนวดและจับเส้นทุกวันนะเกือบห้าปี<อ>จึงหายไปปกติทําให้เรียนไม่ทันเพื่อน ลูกจะไม่กล้าไปเรียนอีกเลยแล้วกอก็ต้องทํางานเลี้ยงครอบครัวจึงต้องทิ้งการเรียนไปส่วนโรคมาเลยเรียขึ้นสมองและหลงกระเพาะลูกก็ไม่เคยเป็นอีกเลยหายเป็นปริศทิ้งตั้งแต่ขึ้นมันจะกองฟอนแล้วหน่งความจริงหมอเคยบอกว่ามันจะกลับมาอีกแต่ปัจจุบันลูกอายุ50ปีแล้วเนี่ยร่างกายยังเป็นปกติดีทุกอย่างเหมือนไม่เคยป่วยหนักมาก่อนเลยนี่ตั้งแต่ลูกที่รู้จักว่าธรรมการกทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญครับ ลูกได้ทำทีมผู้นําบุญผูนน้ารถที่พัทยาขึ้นปฏิบัติธรรมนาวัดสองครั้งทาบุญสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการสร้างพระธรรมกายยาตัวจารึกชื่อตัวเองถวายสังฆทานพระส0 0 0มวัดสามพวัดสา0พันหรวัดทำบุญกฐินปี45ร่วมบุญสร้างหองฉันและร่วมบุญต่างๆที่หลวงพ่อเมตตามอบให้ค่ะคำถามคือลูกทํากรรมอะไรมาจึงได้ป่วยมีหินปูนในท้องและเป็นโรคมละเรยขึ้นสมองและลงกระเพาะ แล้วก็ตายไปละครั้งหนึ่งสองวิญญาณของลูกเดี๋ยวออกจากร่างไปที่ไหนหรือเปล่าตอนที่ลูกตาย3เพราะอะไรลูกจึงได้กลับมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมูห่คณะอีก4ี่ลูกยังอ่านหนังสือได้ทั้งๆต่ตที่มาเด็เรียนหนังสือเพอราะคำดีอะไรห้าเพราะคำอะไรคุณแม่จึงป่วยเปย็นโรคไตและคุณพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเส้นหลอดหในสมองแตหกหคุณพ่อและ ค, คุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลูกทำบุญที่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับบุญที่ลูกอทิตให้หรือเปล่าคะแล้วลูกควรจะทําอย่างไร คุณพ่อและคุณแม่และตัวลูกจึงจะหมดกรรมมาฟังกันเลยครับอันนี้ฝันใ้ฝันนะ ค, คือหลับแล้วฝันเป็นตตเป็นตะเลื่อยเฟยกันไปเลยครับพ่อตายด้วยเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมปัจจุบันนี่แหละดื่มสุราแล้วก็ฆ่าสัตว์ทําเป็นอาหารครับตายแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยไปมหานรก ข่มห้าทันทีเพราะใจเศร้าหมองมากเห็นภาพของการดื่มสุราเป็นอจินตกรรมจึงต้องไปใช้วิบากกรรมก่อนเมื่อคืนมาจากมหาณรลกแล้วจึงจะมาเสวยผลบุญในภายหลังเห็นไหมหมองใสเห็นไหมชิงช่วงช่วงชิงกันสภาพที่อยู่ในมหาณรลกก็คือมีกายดำใหญ่ผอม กำลังถูกนายนิรยาบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำ<อ>จนละลายตายและกับฟื้นฟื้นและกับตายเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะต้องอยู่ในมหานรกคุมห้าอีกนานแล้วก็ไปต่อคุมอื่นแล้วก็จะถูกท่านทรมานโดวยวิบากรรม อ, อื่นอื่นอีกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงยังไม่ได้รับในตอนนี้แต่ไปรอคอยอยู่ในยมโลก จะช่วยได้ก็ด้ดยวิธีพิเศษคือลูกจะต้องปฏิบัติทําให้เขาถึงพระธรรมกายแล้วศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้เหมือนคุณยาอาจารย์ของเราจะแม่ป่วยด้วยโรคนิ่วในกรวยไตยแล้วก็ตายด้วยโรคไตาชาติในอดีตเคยเป็นลูกหนี้ขอยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้ถ้าให้เจ้าหนี้เป็นทุกข์ใจมาก วิบากกรรมนี้ก็เลยมาทำให้เป็นโลกนิวนินไต <Okay. S 1> แล้วทำให้ไตอักเสบเพราะติดเชื้อ <Okay. S 1> กระทั่งเสียชีวิตตายแล้วไปเป็นยักษ์ศรี oh. เป็นบริวารของยักษ์ผู้มีบุญผู้ใหญ่ชั <Okay. S 1> ้นจตุมหาราชิกาแต่ก็มีวิมานของตนเองเล็กๆ <Okay. S 1> ในอาณาบริเวณของยักษ์ผู้ใหญ่นั้น เราว่าเป็นคนปากร้ายใจดี oh. มีโทสะเป็นพื้นฐานใจกับได้ทำบุญไปตามประสาบ้างได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวอุทิศไปให้ <Okay. S 1> สภาพก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ยังเป็นลูกน้องบริวารเขาอยู่นะจ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนตัวลูกเองนั้นน่ะชาติในอดีตมีสามีที่เจ้าชู้มีเมียน้อยหนึ่งคน ทำให้ตนเองน่ะไม่พอใจจึงสั่งให้คนทายาสั่ง oh. ให้เมียน้อยกิน oh. ไปจากยาสั่งไ้เลยเขาผสมยากันแล้วเขาสั่งว่าให้ตายด้วยของชนิดนั้นชนิดนี้อะไรอย่างนี้เนะี่ยสมมติจะให้ตายดินเนอ้อวัวเขาเอาเนอ้อวัวผสมกับยาแล้วก็คลุกกันผสมกันแล้วก็เอาไปตามตามกรรมรวิธีของเขา แล้วก็เอาบทเป็นผงเอาผงน้ำมาใส่ทำให้เกิดเชื้อไอแบคทีเรียอะไรต่างในตัวมีความกระหายอยากจะกินไอเนื้ออย่างนั้นถ้ากินมาไหลก็ตายถ้ายังไม่กินก็ยังไม่ตายเขาเรียกยาสั่งถ้าไม่มีน้อยนะ่เกือบตายทีเดียวนะ<อ>ภายหลังสามีทราบเขาก็บังคับให้ตนเองไปแก้ยาสั่งนั้นเสียตัวก็เลยไปแก้ทำให้มีน้อยนะ้นไม่ตาย ด้วยกรรมนี้นะจึงแตาไม่มีวิบากกรรมตนเองจึงต้องมาป่วยปางตายด้วยโรคมารเรี ย, รยขึ้นสมค์เพราะอิจฉาริิษยาคิดลายมาลเรี ย, รยลงก็เพราะแล้วมีหินปูในท้องก็เพราะวางยาสั่งเขาในช่วงที่มีความรู้สึกว่าตายนั้นนะเหมือนคน่หลับลึกๆไม่ได้หลุดไปไหนคล้ายไม่หายใจะ เพาวิบากกรรมน บ, บีบขันธ์เอาไว้จึงไม่ได้เห็นอะไรแต่ก็ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ทําให้เขาตายแต่ทําเขาเกือบตายเมื่อหมดกรรมคือไปแก้เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทําให้เขาถึงตายในชาตินั้นจึงกลับมามีชีวิตใหม่จ้า ก็ไปช่วยก็แก้ฟื้นเห็นไหมรเรื่องของวิบา ก, กรรมสิ่งที่ตัวกระทำไว้เนี่ยครับที่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเด็กและต่อมามันสังเกตและศึกษาทำให้สามารถอ่านหนังสือได้ก็เพราะมีทั้งบุญและบาป บ, บาปคือชาติในอดีตเคยมีค่าทาิบริพาณในเรือนมากมายตัวเองเกิดมีความคิดว่าไม่อยากให้ข่าทาบบริพารเรียนหนังสือ เพราะกลัวจะปกครองไม่ได้ oh. เลยห้ามไม่ให้เขาเรียน oh. อากรรนี้แหละทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ <Okay. S 1> ส่วนบุญก็คือ <Okay. S 1> มีบางชาติ <Okay. S 1> เคยถวายหนังสือพระเนนทำให้มีปัญญา <Okay. S 1> มีการขวนขวายศึกษาด้วยตนเองจนอ่านได้ในภายหลังบาปให้ผลก่อน <Okay. S 1> แล้วก็บุญให้ผลที่หลังจ้ก <Okay. S 1> นี่ก็คือเคสาดีโดยย่อนะจ๊ะ